วันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งของเรา <c oughs> ขอให้เปิดใจต้อนรับเช้าวันใหม่นะด้วยใจที่ใหม่อย่าไปเปิดหรือจะต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยใจเก่าๆที่สะสม อารมณ์เก่าๆหรือว่าความเคยชินเก่าๆไว้สิ่งที่หมักหมมสะสมมาจากวันก่อนๆ น, นะก็ให้ปลดเปลื้องไปซะให้เป็นใจที่ใหม่อยู่เสมอที่จริงใจแต่ละขณะขณะใหม่อยู่แล้ว แต่ว่าเรามักจะไปช่วยเอาเรื่องราวเก่าๆเข้ามาทำให้มองวันใหม่แต่ละวั น, นเหมือนกับวันเก่าๆวันนี้เราก็อาจจะมีกิจวัตรเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อวาน ไปบินธบารหรือว่าทำกิจธุระ ส, ส่วนตัวเสร็จแล้วก็ฉันรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็กลับมานะปฏิบัติก็อิริยาบถเดิมๆนะสร้างจังหวะเดินจงกรมทางที่เดินก็เป็นทางเดิมๆจุดที่ นั่งสร้างจังหวะก็เป็นจุดเดิมยกมือไปมาเดินกลับไปกลับมาจนชวนให้เราเข้าใจว่าวันนี้ก็เป็นและก็เหมือนกับวันก่อนๆ อ, อย่าไปมองอย่างนั้นนะอันนี่คือวันใหม่แม้ว่าอิเลียบทจะเป็นอิเลียบทเดิมๆแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ตามมันจะไม่ใช่ของเดิมจะเป็นของใหม่แล้วก็ใหม่เสมอให้เรามองหรือรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะด้วยความรู้สึกที่สดใหม่ อย่าไปคิดเอาว่ามันเป็นของเดิมเป็นของเก่าแต่ละขณะแต่ละขณะมันใหม่มันสดอยู่เสมอแล้วก็สามารถที่จะพลิกสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ตลอดเวลาแม้จะเป็นงานเดิมแม้จะเป็นกิจวัตรเดิมแต่ถ้าเรามองด้วยใจที่ใหม่สด ก็สามารถจะพบกับสิ่งใหม่ที่ซุกซ่อนอยู่ในกิจวัตรเติมเดิมเอเรียบทเติมเดิมได้บางคนก็กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ก็เกี่ยวข้าวอย่อยางนี้ทุกวันแต่ว่าในช่วงที่จิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ ทันทีที่เกี่ยวเข้าก็เกิดรู้ธรรมขึ้นมานนชีวิตก็เปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนบางคนก็เดินจงกรมก็เดินบนทางเส้นเดิมจังหวะก็จังหวะเดิมๆแต่ช่วขณะที่จิตนั้นเปิดรับปัจจุบันเต็มที่จิตนั้นโล่งโปรง่ง สิ่งที่เห็นก็จะไม่ใช่เป็นของเดิมแล้วจะกลายเป็นของใหม่เกิดรูปธรรมขึ้นมาก็พลิกเปลี่ยนทันทีก็มีหลายท่านนี่ก็มาบรรลุธรรมก็ในด้วยอิริยาบถ ท, ที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาอย่างพระนางอย่างพระกีสาโคตมี ที่เคยเกือบจะเป็นบ้าเพราะเสียลูกไปตอนหลังก็ได้มาบวชเป็นพิสุนีก็มีวันหนึ่งนะท่านก็ปฏิบัติจนค่ำแล้วก็เมื่อได้ถึงเวลาพักนะท่านก็ไปดับประทีปประทีปนี่ก็จุดนะอยู่ในกุฏิ พอท่านเป่าปฏิบบให้ดับท่านก็บรรลุธรรมทันทีทั้งๆ ท, ที่ก็เป่าปฏิบบให้ดับนี่ก็เป่าบรรลุมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าแต่ละครั้งนี่มันไม่เคยเหมือนเดิมเลยแต่ละครั้งนี้เป็นของใหม่อยู่เสมอแต่ที่ผ่านมาก็อาจจะ ไม่ได้ไม่ได้ใจอาจจะ ย, ยังไม่พร้อมแต่ ท, ทันทีที่ใจพร้อมใจโปรง่งใจว่างมีสติเต็มที่เนี่ยพอเป่าเทียนเป่าประทีปดับไฟที่ดั บ, ดบก็เหมือนกับเตือนให้เห็นหรือเหมือนกับสอนทำให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังของสังขาร มีเกิดแล้วก็มีดับอันนี้เป็นธรรมดาแต่เป็นธรรมดาที่ไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าโดนใจเลยแต่พอใจพร้อมเนี่ยไอ้ความเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละที่ทําให้จิตนี่ลุกโรลงสว่างด้วยปัญญาว่าเออใช่นะมันสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วก็มีดับต่อไปร่างกายเราก็เช่นเดียวกันก็ไม่ต่างจากเปลว ไปเร็วเทียนนี้นะมาแล้วก็ไปพอเห็นความจริงแบบนี้นี่จุดจิตก็ลุกโผรงสว่างบรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าไปมองว่าไอ้สิ่งที่เราทำแต่ละวันแต่ละวันมันเป็นของเดิม มันอาจจะเหมือนเดิมจริงแต่ว่ามันก็มีความใหม่อยู่ในนั้นและความใหม่อยู่ที่ใจเราด้วยนะพระนางพระพระปตตาจาราก็เหมือนกันพระปัตตาจารานี่ก็ชีวิตนี้ก็เราทุกข์มากเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มั่งมี นะแต่เสร็จแล้วก็ชีวิตก็พลิกผันนะก็ไปอยู่ในชนบทนะกับสามีแล้วพอท้องขึ้นมาก็อยากจะกลับไปไปที่ไปหาพ่อหาแม่ก็ก็ไม่มีโอกาสมีลูกมาคนที่หนึ่ง ก็ยังเล็กหลูคนที่สองพอคลอดพอท้องมาก็จะกลับไปอีกก็ระหว่างที่เดินทางอยู่กลางทางนี่ก็อัระหว่างที่กำลงังจะตั้งใจว่าจะกลับไปที่บ้านก็สามีก็เสียชีวิตก็เลยต้องตัดสินใจกลับไปตอนนั้นก็คลอดคนที่สองแล้ว แต่พอระหว่างทางก็เสียทั้งลูกเสียลูกทั้งสองคนคนนะึงก็โดนน้าท่วมอีกคนหนึ่งก็โดนแล้คนหนึ่งโดนน้าพัดพาไปคนหนึ่งก็โดนเหยี่ยวมันมันคาบออกไปลูกคนเล็กๆยังเล็กแบบเบา อ, อยู่ก็คาบไปเสียทั้งสา ม, มีเสียทั้งลูกสองคนพอกลับมาถึงบ้านพบว่าบ้านถึงจะเรียกเป็นขรือหายก็ได้ นะเกิดไฟไหม้สูญเสียหมดพ่อแม่ก็ตายหมดเลยนะในช่วงเวลาเพียงแค่วันเดียวนี้หมดทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ตัวเองรักและผูกพันสามีลูกพ่อแม่ก็เป็นบ้านะคุ้มครั่งเนื้อตัวก็ เสื้อผ้ากระหลุดลุยจงทั่งมีคนให้มาทูลให้ให้มาหาพระพ เ, เจ้าพระพุทธองค์ได้พูดเตือนใจด้วยความเมตตานางก็ได้สติขึ้นมาพอได้สติขึ้นมาพระองค์ตัดอีกสองสามประโยคเพื่อให้เห็นว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยง คนเรานี่สูญเสียมานับไม่ทั่วแล้วในวัฏฏะสงสารอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณน้ําตาที่หลังลงมาเพราะความเสียใจนี่มันมากมายรวมกันแล้วก็เท่ากับทะเลเป็นทะเลได้เลยเป็นทะเลน้ําตาแห่งความโศกเศร้าท่านก็เตือนว่าอย่าไปจะไปหวังพึ่งคนอื่นให้พึ่งตนเอง นางปตจลาก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็มาออกบวชก็บำเพ็ญเพียรบเพ็ญเพียรอยู่เป็นเวลาหลายปีแล้ววันหนึ่งนี่ขณะที่รถนาอ่างกำลังตักน้ำล้างเท้าตักน้ำครั้งที่หนึ่งน้ำก็กระจายไปไม่กว้างเท่าไหร่ ตักน้ําขันที่สองน้ําก็มันกระจายกว้างขึ้นตักน้ําขันที่สามน้ําก็กระจายกว้างอีกก็ได้คิดเลยว่ามันก็ช่วยคนเราบางคนก็มีอายุยืนบางคนก็มีอายุปานกลางบางคนก็มีอายุสั้นมันไม่เที่ยงเลยแต่คิดเช่นนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมารู้ธรรมกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทันที ในี่จริงการลดน้ําการเอาน้ำล้างเท้าเนี่ยหรือลาดเท้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทํากันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะมันไม่ใช่ของเดิมเป็นของใหม่อยู่เสมอและถ้าใจเราพร้อมใจเรามีสติใจนี่เปิดกว้างเต็มที่ก็พร้อมที่จะเห็นธรรมจากอิริยาบถหรือจากเหตุการณ์ที่แสนจะธรรมดา ที่จริงธรรมะนี่แสดงตัวให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจากปรากฏการณ์ต่างๆจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งกับกายและใจแล้วก็กับสิ่งนอกตัวพระที่ขึ้นพระที่ตกนะหรือว่าข้างขึ้นข้างแรมหรือว่าใบไม้ที่ปลิดลงมา จักขั่วดอกบัวที่ตูมแล้วก็บานแล้วก็ร่วงโรยไปทั้งหมดนี้เนี่ยก็แสดงทำให้เราเห็นอยู่ตลอดเวล า, าเพียงแต่เราไม่เห็นเองเพราะใจเราอาจจะไปจมอยู่กับอดีตหรือว่ามัวแต่ฝันฟุ้งปรุงแต่งนะคือเรื่องง่ายๆว่าใจไม่ว่าง ใจไม่ว่างก็ไม่เปิดรับสิ่งที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมที่แสดงให้แก่เราอยู่ตลอดเวลาลหลวงปู่ม่านท่านบอกว่าสําหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าอันนี้ท่านตอบสมเด็จพระราชา พระราชาคณะท่านหนึ่งสมเด็จท่านนี้ท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากนะสอบได้ประโยคเก้าตั้งแต่ยังหนุ่มแล้วก็มีความรู้ด้านปริยัติมากก็ไม่เข้าใจว่าหลวงปู่ ม, มนนั่นนี่ซึ่งไม่ไม่ค่อยได้เรียนทางด้านปริยัติเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นพระป่ามาโดยตลอดแต่ทำไมถึง รู้ทมสามารถสอนทมได้อย่างลึกซึง้งมาสงสัยก็เลยถามว่าไม่ได้เรียนหนังสือมาทำไมหลวงปู่มั่นถึงรู้ทมได้หลวงปู่มั่นก็ตอบว่าอย่างนี้แล้วว่าสาหรับผู้มีปัญญาธรรมะ ม, มีอยู่ทุกหย่อมยานะมันอยู่ที่ว่าใจเราจะเปิดนะเห็นธรร ม, มะหรือเปล่าและส่วนใหญ่ที่ใจเราไม่เปิดเพราะเราก็มองว่ามันก็ธรรมดาลืมเรามองว่ามันก็ เป็นของซ้ำซากของเดิมเห็นแล้วอยู่เห็นแล้วนะเห็นอยู่ทุกวันนะมันไม่ใช่ของใหม่แต่ที่ไม่ใหม่จริงๆคือใจของเราต่างหากที่ยังอยู่ของเก่าอยูนะ่บางทีก็ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งนะเรื่องราวในอดีตเขามากกุมใจบางทีก็ ถูกความวิตกกังวลครอบงำใจเราไม่เปิดรับความจริงไม่เปิดรับธรรมะอย่างเต็มที่จริงอย่าว่าแต่ธรรมะขั้นที่เป็นเรื่องลึกซึ้งเลยนะความจริงธรรมดาธรรมด า, ราก็อาจจะไม่รับรู้ได้ซ้ำเคยพาคนเดินจงกรมหน้าวัดนะ ไม่ใช่ทีนีนะที่พูหลงตอนเช้าพระก็ไปบินธบาตส่วนโยมก็มาเดินจงกรมอากาศก็ดีไม่ชื้นอย่างนี้นะเป็นช่วงที่อรุณรุ่งนะฟ้าสางพอเดินพาเดินจงกรมไปกลับก็ส5สิบห้านาทีได้ระหว่างทางก็มีเสียงจิ้งหรีดเล้ล ย, ล ย, ลยร้องพอเดินจงกรมกลับมาก็ถาม ความรู้สึกของเขาแล้วก็มีประโยคหนึ่งก็ถามเขาว่าเนี่ยที่เดินมานี่ที่เดินจงกรมมาเนี่ยได้ยินเสียงจริงดรดร้องบางหรือเปล่านะกว่าครึ่งบอกว่าไม่ได้ยินนะทําไมถึงไม่ได้ยินก็เพราะใจมันะจมอยู่กับงานการบางคนก็บอกกำลังคิดเรื่องงานเรื่องการ แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างเดียววิตกด้วยให้ความคิดเรื่องงานเรื่องการ ก, ก็ดีคิดถึงบ้านก็ดีนะมันก็ค้อมงามจิตเอาไว้ปิดกั้นจิตไม่ให้รับรู้แม้แต่กระทั่งเสียงธรรมดาธรรมดาคือเสียงจริงหลีดนะเพราะฉะนั้นนักภาษาและก็ธรรมะที่ลึกซึ้งนะก็ยากที่จะเปิดใจยอมรับได้ ท่านถึงเน้นว่าเนี่ยให้เราเปิดใจของเราหรือว่าทําใจของเราให้ใหม่แล้วก็มองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่ามองด้วยสายตาเดิมๆนะอย่าไปมองมันเป็นของเก่านะมันใหม่อยู่เสมอและแต่ละขณะแต่ละขณะสามารถที่จะพลิกพลิกเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราได้เพียงแต่เราไม่ทันสังเกต มีคนหนึ่งเป็นก็เป็นผู้หญิงทำงานผู้หญิงเก่งอยู่กับสา ม, มีมาสิบกว่าปีแล้ววันนึงก็พาวสา ม, มีนอกใจก็โกรธแค้นมากโกรธแค้นทั้งโกรธทั้งเกลียดสา ม, มีสุดท้ายก็เลิกกัน แต่แกก็สังเกตว่าความโกรธความเกลียดมันก็อยู่ได้ไม่นานก็แค่สองสาวันหลังจากนั้นก็ชีก็กลับสู่กิจวัตรประจําวันตามเดิมก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะปฏิบัติธรรมที่ทําให้อ่าไม่โกรธไม่เกลียดรยดุนแรงอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยประมาสักไม่กี่เดือนก็ได้มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมคล้ายๆกับพวกเรานี่แหละ วันแรกเท่านั้นแหละนะก็เกิดเรื่องทันทีเพราะว่าจิตใจก็หวนเป็นนึกถึงเรื่องเก่าเก่าเกี่ยวกับอดีตสามีนึกถึงที่เขานอกใจทรยศหักหลังก็เกิดความกลัวขึ้นมาจิตฟุ้งซ่านร้อนรุ่มไปหมดวันแรกก็ เรียกว่าร้อนรุ่มไม่รู้เนือรู้ตัวเลยวันที่สองก็ยังเหมือนเดิมหาความสงบในจิตใจไม่ได้ที่เคยคิดว่าปล่อยวางได้มันไม่ใช่เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจมันมีเรื่องอื่นต้องทำพอมีเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรที่จดจ่อสนใจก็เลยไม่ค่อยไอเรื่องของสามีก็เลยไม่มารบกวนจิตใจแต่พออยู่ว่าง ปฏิบัติทำไม่มีอะไรทำเนี่ยมันก็เรื่องเา่าเก่าๆกงออกมาแค้นโมโหร้อนรุ่มสามวันก็เป็นอย่างนี้ตลอดวันที่สีนี่ก็เป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเดินจงกรมเดินนะเอามือเนี่ยกอดนะจับมือไว้นะตรงข้างหน้าถ้าไม่ใช่กอดอกนะแต่ว่า กุมมือไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินจงกรมเดินเป็นชั่วโมงรู้สึกเมื่อยมื อ, อ, มอพอเมื่อยมือก็ปล่อยมือพอปล่อยมือแล้วกายก็สบายในช่วงขณะนั้นเองก็ได้ได้คิดเลยว่าปล่อยมือไหลก็สบายเมื่อ น, นั้นไอ้พอคิดแบบนี้พอได้คิดแบบนี้ขึ้นมานี่ก็เกิดสติลุกโผล่ขึ้นมาเลยว่าโอ้ไอ้ที่เราทุกข์ใจนี่ก็พอไปยึดเรื่องราวในอดีตไม่ยอมปล่อย พอเกิดปัญญาแบบนี้นี่จิตก็หลุด เ, เลยนะหลุดจากเรื่องราวของสามีจิตเรียกว่าโปรง่โรงโล่งเบาสบายเพราะได้คิดแล้วว่าทุกข์พยุดเอาไว้ปล่อยเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อ น, นั้นให้การปล่อยมือแล้วก็ปล่อยอยู่ประจําอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ในช่วงขณะหนึ่งเนี่ยพอปล่อยมือนี่มันเกิดการพลิกเปลี่ยน จิตใจได้เลยนะเพราะได้เห็นเลยว่ามันทุกข์พอยึดปล่อยก็สบายนะไม่ใช่แค่ปล่อยมือแล้วสบายกายเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราปล่อยเรื่องเราเก่าๆเนี่ยจิตใจก็ปล่อยสบายไปด้วยนี่ได้เห็นเลยนะว่าทุกข์พอยึดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยอย่าไปอย่าไปมองว่ามันเป็นของเก่านะ มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้ดังจึงอยให้เรามองหรือว่าปฏิบัติด้วยใจที่ใหม่เสมอนะแล้วก็จะได้เห็นธรรมะจากสิ่งที่ดูเหมือนสามัญที่สุดนะที่จริงธรรมะที่เห็นนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าเราอยู่กับความไม่ธรรมดามากเกินไป ก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นความธรรมดาคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกความเป็นอนัตตาได้ธรรมะนี่ก็ก็คือธรรมดาคือความจริงที่เกิดขึ้นเป็นปกติสามัญแต่ว่าเรามักจะใช้ชีวิตอย่างไม่สามัญปรุงแต่งตัดเินวิพากวิจารยอยู่ตลอดเวลา าการมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อที่จะมาให้เราได้เห็นความธรรมดาสามัญและความธรรมดาสามัญ น, นี่แหละนะมันก็สามารถที่จะทำให้เราหลุดจากความทุกข์ได้เห็นกายเห็นใจอย่างที่เป็นจริงไม่ได้เห็นอะไรที่มันเกิดเลยไปจากความจริงเลยแต่เป็นเพราะเราปรุงแต่งใ้สิ่งที่มันไม่ธรรมดาคือปรุงแต่ง ตัวกูหรือปรุงแต่งอัตตาขึ้นมาพอปรุงแต่งขึ้นมาแล้วนี่ก็ไม่เห็นเลยว่าที่เดินเนี่ยเป็นกายที่เดินเป็นรูปที่เคลื่อนไม่ได้เห็นว่าที่คิดเนี่ยมันเป็นนามหรือใจที่คิดก็จะไปเหมาเอาว่านี่มันเป็นมันเป็นฉันที่เดินมันเป็นฉันที่คิดมันเป็นฉันที่ทุกข์มันเป็นฉันที่โกรธอันนี้คือความไม่ธรรมดาที่มันที่เราสร้างหรือพ่อขึ้นมา เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะแต่เราปรุงขึ้นมาเมือม่อเมื่อเมื่อเราเจริญสตินะเราตั้งจิตที่จะดูความจริงไม่มีอะไรที่มากไปกว่า น, นั้นนะไม่ได้ทำด้วยความอยากไม่ได้ทำด้วยความคิดปรุงแต่งเห็นสิ่งที่เป็นจริงก็จะสามารถที่จะทะลุให้เปลือกที่เราสร้างขึ้นมาคือเปลือกแห่งอัตตา เห็นว่าโอ้ที่เดินเนี่ยเป็นรูปนะที่คิดนี่มันเป็นนามมันไม่มันไม่ใช่เราคิดมันไม่ใช่เราเดินนะถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยนัก็เรียกว่าเห็นความจริงนะซึ่งก็เป็นธรรมดาแต่มันแสนธรรมดาจนรงทั่งมองไม่เห็นนะเพราะว่าเราไปปรุงสิ่งต่างๆขึ้นมา ถ้าต่อไปก็จะเห็นว่าโ อ, อ้ไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันเป็นมันเป็นกายที่ทุกข์มันไม่ใช่เราทุกข์นะที่เครียดมันเป็นกายมันเป็นใจที่เครียนไม่ใช่เราเครียนความรู้สึกต่างๆที่เคยเมาว่าเป็นของเรารวมทั้งความทุกข์ด้วยแต่ก่อนเมาว่าเป็นของเราเป็นของเราแต่พอได้เห็นความจริงว่ามันก็ไม่มีอะไรนอกจากรูป ก, กับนามกายกับใจ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มันเกิดกับกายกับใจไม่ได้เกิดกับเราตอนนี้แหละก็จะคืนความทุกข์ให้กับกายกับใจไปซะคืนความทุกข์ให้กับธรรมชาติไปแต่ก่อนไม่รู้ก็ไปแบกเอาว่าเป็นความทุกข์ของเราเป็นความทุกข์ของเรานะะกายปวดไม่ใช่แค่กายเท่านั้นที่ปวดนะเราก็ปวดด้วยแต่พอเราเห็นความจริงแบบนี้มันก็คืนไป ต่้มาๆก็ยังก็ยังก็ยังยังมองไม่เห็นยังทำอย่างนั้นไม่ได้ยังคืนไม่ได้ก็ยังแค่มีตัวมีตนอยู่หรือยังคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่เป็นไรเช่นอาจจะมองว่ามันยังมีกิเลสอยู่มันยังมีตัวตัวตนอยู่นะแต่ว่าก็ให้มองว่าเออไอตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้อง ต้องลดต้องทอนต้องขัดต้องเกา่าจริงตัวตนมันไม่มีอยู่นะแต่ว่าการมองว่าตัวตนเป็นสิง่งที่ต้องขัดต้องเกา่าก็ยังดีกว่าที่มองที่ไปหลงเชื่อมั น, เ, นเวลามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็ไปมองว่ามันเป็นอัตตาตัวตนที่ทุกข์ก็ได้ไม่ใช่เราทุกข์เวลาทำอะไรเสียหน้าเวลาทําอะไรแล้ว รู้สึกเสียเซลเออก็ให้เป็นเรื่องอัตตาไปเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนมันทุกข์ไปฉันไม่ทุกข์ไปก่อนน้ำฉันไม่ทุกข์ไปกับมันโยนให้เป็นเรื่องอัตตาโยนให้เป็นเรื่องของกิเลสไปซะอันนี้ก็ยังก็ยังดีดีกว่าไปสําคัญมันหมายว่าฉันทุกข์ฉันโกรธฉันโมโหออมองว่าเรากําลัง เรียนรู้ที่จะเท่าทันอัตตาตัวตนก็ได้อันนี้ก็ยังมองแบบการมีตัวมีตนอยู่ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าปฏิบัติโดยการที่เราเป็นผู้ที่โดยมีสติตามเห็นความจริงของกายและใจนะสิ่งที่เป็นธรรมดาธรรมดาก็จะเริ่มไม่ธรรมดาแล้วนะก็จะสอนทำให้กับเรานะ อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปรังเกียจนะในความเป็นธรรมดาหลายคนมาปฏิบัตเพื่ออยากจะได้ความไม่ธรรมดาอยากจะไดอะ้อยากจะเห็นสีเห็นแสงนะอยากจะได้รับความสงบลึกซึ้งมีปิติอยากจะได้สิ่งที่ไม่เหมือนสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีกัน ถ้าหวังอย่างนั้นนี่ก็อาจจะไม่ได้เจออะไรเลยแต่ถ้าเรามาปฏิบัติด้วยใจที่เปิดใจที่พร้อมที่จะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่า ง, างตามที่เป็นจริงนะก็จะได้พบกับความจริงที่อาจจะแสนธรรมดาแต่ว่าเรามองข้ามไปนานแสนนานนะ อันนี้ก็เป็นการที่ทำให้เราได้เห็นตัวเองอย่างแท้จริงและต่อไปเนี่ยการที่เราเห็นตัวเองอย่างแท้จริงก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลุดจากทุกข์ได้ง่ายเข้าคนเราถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยก็ยากที่จะหลุดจากทุกข์นะเราก็มักจะไปโทษคนอื่นว่าทำให้เราทุกข์เป็นเนพราะเราไม่ได้เข้ามาดูใจของเรา แต่ถ้าเรามาดูใจของเราก็จะเห็นแล้วเป็นเราต่างหากที่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองเห <คน S 2> ็นคนอื่นเห็นง่ายนะแต่เห็นตัวเองเห็นยากในชาดกก็มีเรื่องของอาชาวนาคนหนึ่งเสียพ่อไปหลังจากเผาแล้วก็ยังเศร้าซึมไม่เป็นอัน กินอันนอนนะยังคิดถึงยังอะไรนะพ่อพูดจากไปลูกชายเนี่ยซึ่งเป็นคนฉลาดก็อยากจะให้พ่อเนี่ยหลุดจากความเศร้าโศกแต่ก็รู้ว่าพูดไปก็คงจะไม่ได้ประโยชน์ก็เลยออกอุบายพระเอร์นเนี่ยวันนั้นมีวัวตัวหนึ่งตาย วัวตายเนี่ยแทนที่ลูกชายเนี่ยนะจะเอาวัวไปไปฝังก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวที่ตายกินพ่อเนี่เห็นลูกชายทำอย่างนั้นก็ว่าลูกชายว่าเจ้าโง่เจ้าไม่รู้หรือไงว่าวัวนี่มันตายแล้ว ไปเกี่ยวชาให้วัว ก, กินทำไมนะลูกชายก็เลยได้ช่องก็เลยบอกว่าวัวเนี่ยนะมันยังมีหัวมันยังมีขามันยังมีตัวอยู่เกี่ยวข้าวให้มันมันก็ยังพอมีโอกาสที่จะฟืน้นแต่ว่าพ่อหมายถึงว่าปู่เนี่ยซึ่งตายไปแล้วเนี่ยไม่เหลือซากเลยเหลือแต่อัฐิเนี่ยทำไมพ่อถึง เศร้าโศกเสียใจแล้วกับอยากจะให้เขาฟื้นขึ้นมาใครกันหน้าที่โง่กับกันนะระหว่างเกี่ยวข้าวและเกี่ยวหญ้าให้วัวที่ยังมีตัวนย่งมีตัวมีมีขาอยู่กับการเรียกร้องวิงวอนให้พ่อซึ่งมีแค่อคติธานเนี่ยฟื้นขึ้นมาพ่อพอได้ยินเช่นนี้ก็ได้สติขึ้นมาเลยโอ้เรานี่จริงนะเราไปเราไปว่าลูกชายว่าโ ง, ง่ นะที่เกี่ยวข้าวใ้ เ, เกี่ยวหญ้าให้ให้วัวกินให้วัวที่ตายกินที่จริงเราโงก่กับลูกอีกนะก็เลยหายเศร้าโศกนะล้วคนเรานี่นะก็มักจะเป็นอย่างชาวนาคนนี้นะก็คือว่าเห็นคนอนื่นโง่นะได้ง่ายนะแต่ว่าไม่เห็นตัวเองว่าโง่เท่าเขาหรือโงกก่กว่าเขา ในชาติกจะมีเรื่องทำนองนี้อยู่นะมีคราวนึงก็มีพระราชานเนี่ยสูญเสียมาเหสีก็เศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนนะก็ได้แต่อยากจะให้มาเห ส, สีเนี่ยนะกลับมาศพนี้ก็เผาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่วายจากความเศร้ามหาเล็กก็เป็นคนฉลาดนะ ก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำะพระราชาให้หายจากความเศร้าโศกอย่างไรอาจจะเคยปลอบอาจจะเคยประโรมแล้วก็ไม่ได้ผลก็เลยแก้งเป็น อ, อดข้าวอดน้าพระราชาก็เลยถามว่าทำไมถึงอดข้าวอดน้าเศร้าโศกอะไรหรือมหาเล็กก็บอกว่าอยากจะได้ ดวงจันอยากจะได้ดวงอาทิตย์นะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะได้มาพระราชากบอกแกงโง่หรือไงนะจะเอาดวงจันท์ดวงอาทิตย์มาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มหาเล็กได้ช่องก็เลยบอกว่าไอ้ดวงจันท์นี่มันยังมันยังเห็นอยู่นะว่ามีอยู่ดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าการการเรียกร้องเอาดวงจัน์ดวงอาทิตย์โง่เนี่ยแล้ว คนที่เรียกร้องคนตายให้กลับฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่โง่ยิ่งกว่าหรือเพราะคนตายก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแม้แต่ซากด้วยซ้ำเอาพูดอย่างนี้เข้าพระราชาก็ได้สติขึ้นมาทันทีนะคือตัวเองเศ้าโศกนี่ไม่รู้นะตัวเองโง่งม ง, ง, ง, งายไม่รู้แต่เห็นคนอื่นโ ง, ง่นี่เรารู้รู้ชัดแต่ถ้าเรารมีสติเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเราไม่ก็จะไม่ไปว่าคนอื่นแต่เราจะเห็นตัวเราเองชัดเจน เราก็สามารถที่จะหลุดจากความเศร้าความโศกหรือว่าหลุดจากความทุกข์ได้เราก็จะเป็นอิสระนะจากการทำร้ายจิตใจของตัวเองในโลกนี้ไม่มีใครที่ทำให้เราเศร้าโศกหรือทำร้ายจิตใจเราได้นอกจากตัวเองนะคนหนึ่งเขาก็อย่างมากก็ทำร้ายทรัพย์สินของเราแย่งชิงทรัพย์สินของเราไป หรื อ, อยังมากที่สุดก็ทำร้ายร่างกายของเราแต่ไม่สามารถจะทำร้ายจิตใจเราได้มีคนเดียวในโลกนี้ที่ทำร้ายจิตใจเราได้คือตัวเราเองนะก็เพราะความคิดปรุงแต่งเพราะการที่ยังไปจมอยู่กับอดีตหรือว่ากังวลกับอนาคตนั่นเองถ้ารู้เช่นนี้เนี่ยเราก็จะไม่ถ้ารู้จักตัวเราเองแบบนี้เราก็จะทำร้ายตัวเองน้อยลงนะแล้วเราก็จะเปิดใจรับความสุขรับกับ รรมะที่เป็นธรรมดาธรรมดาได้ได้ง่ายขึ้นเอาล่ะก็วันนี้ก็พูดกันเท่านี้พ่อแม่ก็เตรียมลาศีน